เห็นว่าโหศีลข้อนี้พากันผิดกันเป็นปกติเลยเป็นอัธยาศัยเลยก็คือท่อดื่มสุราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายด้วยเนาะถือว่าเป็นความถูกต้องด้วยกินเลี้ยงที่ไหนถ้ามีการดื่มสุราและเมรายที่นั่นก็ถือว่าเป็นความถูกต้องแต่ถ้าไม่มีสุราและเมรายเป็นต้นเนี่ก็เชื่อว่าไม่ค่อยถูกเหมือนกันเนาะมันขาดไปทั้งอย่างหนึ่งเป็นขานิยมซึ่งศัตท์ทั้งหลายเนี่ยยอมรับไปแล้วแต่ว่าเวลามันให้ผลเนี่ยไม่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 อหนึ100่งร้อยกว่าบาทวันหนึ่งสิบกว่าเม็ดพันกว่าบาทบา ท, บา ท, ทีนี้วันหนึ่งเป็นสิบสิบเม็ดเนี่ยเม็ดละร้อยกว่าบาทนี่โหเวลาไม่มีอะทำไงอ่ะไม่มีนี่บางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยบางคนเนี่ยเส้นกว่าจะออกได้เนี่ยหดหิ ด, ดแล้วแล้วก็ในยาบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มีสารยาฆ่ า, มาแมลงเป็นของที่มีโทษทั้งนั้นเลยอะส่วนหนึ่งก็บอกว่าน้ํายาที่ ที่ที่มีโทษร้ายแรงอ่ะเอาไปเสพเอาไปดมเข้าเมื่อโทษเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันทรมานแต่ตอนที่เสพเนี่ยมันก็เพลินดีเหมือนกันเขาว่างั้นมันก็เพลินมันก็สนุกไปนี่คือในระดับธรรมดาทั่วไปในสารที่มันมีโทษแต่การผิดศีลผิดธรรมอย่างเช่นดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นเนี่ยมันมีโทษซึ่งมันโทษมันไม่ได้อยู่แค่ชาตินี้ชาติเดียวภพนี้ภพเดียว มันเป็นไปเพื่อพบจอต่อไปอีกตั้งมากมายอันมาดูนะว่าสุราเมระยะมชะปะมาสทานาเวรมณีสิกขาประธางสมาธิามีเนีน่ยามาศึกษาเรื่องศีลข้อนี้ดูแต่ส่วนหนึ่งของเราที่มาที่นี่เนี่ยศีลข้อนี้สบายเลยนะแต่ถ้าไปบางแห่งเนี่ยโหจับหัวแทบไม่ผิดเลยอ่ะการเป็นข่านิยมเลยอ่ะทีนี้สุรานี่มีอยู่ห้าอย่างนะสุราห้าอย่างก็คือสุราที่ทําด้วยแป้ง สุราที่ทำด้วยขนมสุราที่ทำด้วยข้าวสุกสุราที่เติมด้วยสาเล้าสุราที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงในตระกูลสุราทั้งหลายและแล้วก็ตระกูลของหมักดองีกข้าอยา่างของหมักดองก็เช่นเครื่องดองที่ทำด้วยดอกไม้เอาดอกไม้มาหมักทาเป็นของดองเนี่ยนะเครื่องดองที่ทำด้วยผลไม้เช่นองุ่นเนี่ยใช่ไหมองุ่นเนี่ยเเอามาหมักเขาําด้วยน้ำผึ้งก็มี หรือว่าบางทีก็ทําด้วยน้ําอ้อยงบอ่นนะเรียกว่าน้ําตาลเอาน้ําตาลเนี่ยมาทําแล้วก็เครื่องดองที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงแม้ทั้งสองอย่างนั้นคือสุราและเมไรเพราะฉะนั้นของทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าสุราสุราเมไรทั้งนั้นเลยสุราเมร ะ, เนะะ ร, ะะระยะเนี่ยนะอ่าระยะระยะเนี่ยไทยเนี่ยมาแปลผิดเพี้ยนไปคนที่จะกินเหล้าก็บอกว่ากินเป็นระยะระยะเขาว่างั้นไอระยะตัวนี้มาจากไรเมรัยอะ เมระยะก็คือเมไรนั่นเองนี่ก็เอารายมาเป็นระยะเขาเลยถูกต้องเลยนะจะเพี้ยนเพื่อที่จะกินให้ได้ก็กินเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆเขามั้งงั้นช่วงเข้าพรรษาก็ไม่กินออกพันษานี่ก็กินบางคนเนี่อดได้นะเขา้าพรรษาเนี่ยสามเดือนเนี่ยเป๊ะเลยออกพัรษามานะเก้าเดือนนี่มเมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าในเมืองส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินเหล้าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย มันจะมีสภาอยู่สะพังกั น, ก, นก่อนไปทํางานก็มาตั้งกองกันตั้งวงกันขาเย็นๆก็ตั้งวงอีกรอบหนึ่งวันละสองรอบสองรอบผิดศินอยู่ตลอดเลยคือไม่เคยมองว่าสิ่งนั้นเป็นโทษอ่ะนะกลับมองว่ามันเป็นความสุขก็ได้ยินนะกรรมบางอย่างในขณะที่ทํำนี่สุขแต่ให้ผลเป็นทุกข์กรรมบางอย่างในขณะที่ทําก็เป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นทุกข์ด้วย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 เดิมสุราเป็นต้นเนี่ยนะขณะที่ทําเนี่ยโอ้สนุกจริงๆรเพลินเนี่ยแต่เวลาผลของมันเนี่ยทุกกรรมบางอย่างขณะที่ทํานั้นเป็นทุกขแต่ให้ผลเป็นสุขกรรมนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าขณะที่ทําเนี่ยทุกเลอเกินเขาบอกนแต่ให้ผลเป็นความสุขอในคำพีท่านเล่าถึงว่าพระบางองค์ซึ่งไม่ไม่เต็มใจบวชมาก น, านัก น, นะนะคือเป็นคนที่เขาเล่าว่ากิเลสมีกําลัง โลพาโทสะโมหะมีกำลังมากแล้วไม่อยากบวชเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องจําใจบวชเขาเรียกว่างัไงเห็นโทษก็เลยต้องสู้บวชไปอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าบวชทั้งน้ําตาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ําตาเพราะว่ากิเลสมันได้กําลังอ่ะนะมันได้ช่องร้องไห้ไปแต่ก็ทนบวชไปอย่างนั้นน่ะอันนี้เขาเรียกว่าขณะที่ทําเนี่ยเป็นทุกข์แต่ก็ให้ผลเป็นเป็นความสุข แต่บางโซนก็ขณะที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสุขด้วยก็คือผู้ที่ปฏิบัติจนได้ฌานเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าขณะที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสุขทำก็เป็นสุขแล้วก็ผลแห่งการกระทำเหล่านั้นก็ก็เป็นสุขด้วยเดืมเหล้าเมายาเป็นต้นนั้นก็คือขณะที่ทําส่วนใหญ่ก็เป็นสุขแต่ว่าผลของมันนั้นเป็นเป็นความทุกข์คาว่ามัชชะนี้พราะอัฏฐว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาทั้งสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเมา เจตนาที่เป็นเหตุดื่มนะ้ำเมานั้นชื่อว่าปรมาทฐานะเพราะเป็นเหตุแห่งความประมาทปรมาท่นี้แปลว่าประมาทฐานะนี้ก็คือแปลว่าเป็นเหตุเหตุฐานะแปลว่าเหตุหรือที่ตั้งก็ได้นั้นการดื่มสุราและเมรัยนั้นก็คือเจตนาที่ดื่มเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าเป็นเหตุแห่งความประมาท แต่โดยลักษณะเจตนาที่ประมาทอันเป็นไปแล้วทางกายยะทวารด้วยสา ม, มารถแห่งความมึนเมาเริ่มแต่เชื่อน้ำเมากล่าวคือสุราเมาีไรตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าสุรามีระยะมัชชะปะมาทฐานก็คือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มสุราและเมรยัยทีนี้ก็ถ้าระดับกฎหมายก็คือดื่มเหล้าถ้ามันแรงมากขับรถใช่ไหมประสบอุบัติเหตุบ่อยเขามีการตรวจแอลกอฮอล ให้ให้ไปพูดหน้าไอ้เครื่องเครื่องวัดอะนะเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ถ้ามันเกินเขาก็ปรับามีอันนั้นแบบเรียกว่าการอุบัติเหตุแต่ถ้าในระดับกุศลอกุศลแล้วปัญหาด้านนี้จริงๆแล้วคนไม่ค่อยมองว่ามันเป็นสาระเท่าไห ร, ร่นักหรในการผิดศีลนั้นข้อสุราและเมรัยนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างด้วยกันก็คือหนึ่งนะมัชชะาววความเป็นของเมา ปาตุก ร, รมมยตาจิตตังจิตคิดจะดื่มตาโชวายามโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้นอัจโชหรนังกลืนให้ล่วงลงในลำคอองคศีอย่างนี้ก็ถือว่าผิดแล้วก็ภาวะที่สุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวเพราะเขาดื่มด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างเดียวถ้าหากว่าดื่มด้วยจิตที่เป็นอกุศลนั้นก็ชื่อว่ามีโทษ แต่ถ้าหากว่าจะดื่มดื่มเป็นยาได้ไหมในวินัยพระกล่าวว่าเอาสุรานะถ้ามาประกอบเป็นยาก็ต้องไม่มีสีของสุราต้องไม่มีกลิ่นของสุราหลงเหลืออยู่นั่นแหละใช้ได้ก็คือเอามาประกอบเป็นยาได้แต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นน่าจะได้อย่างเช่นย า, าธาตุเนี่ยใช่ไหมย า, าธาตุก็ไม่มีสีของของสุราแล้วก็ไม่มีกลิ่นของสุราใช่ไหมเพราะย า, าธาตุก็มี มีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมเขาจะมีนะยาทาคั่งๆก็จะบอกว่ามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ว่าสุรานั้นจะไม่ไหลเข้าไปในปากของพระอริยาสาวกทั้งหลายทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าวัตถุ ค, คือ น, น้าเมาจะป่วยกล่าวไปยายถึงที่รู้อยู่นะถ้าเป็นพระโซดาบานแล้วเนี่ยเอาเหล้ากรอกเข้าไปยังไงก็ต้องแปลเป็นน้ําไปก่อนแล้วจึงจะล่วงลําคอไปอันพระโซดาบานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลเนีอย่างมั่นคงจริงๆ การดื่มน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็มีโทษน้อยการดื่มน้ำเมาเพียงครึ่งอลหะกะอรหกะกะก็คือประมาณแล้งหนึ่งอนะก็คือถ้าจิบมันก็มีโทษน้อยกว่ากงอะนะกงกมีโทษน้อยกว่าแบนอะแบนก็มีโทษน้อยกว่ากลมอะกลมก็มีโทษน้อยกว่าหลายหลายกลมอย่างเงี้ยโทษไปตามนั้นน่ะก็โทษมากก็าตามแต่การดื่มเข้าไปเมื่อดื่มน้ำเมามากแล้วยังสา ม, มารถ ให้กายเคลื่อนไหวไปทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นมีโทษมากทีเดียวส่วนในชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะพวกกลุ่มที่ที่กินเหล้าเนี่ยพอกินแรกๆก็พอเมาระดับหนึ่งเอ้ไม่มีกลับแก้มนะก็คิดนะอาทินนาทาน้าเอ้อไรเลยมันต่อไปศียเรื่องอื่นๆเยอะ้นการดื่มสุรามอย่างเดียวเนี่ยนะศียข้อหนึ่งก็ผิดง่ายศียข้อสองก็ผิดง่ายผิดข้อสามก็ผิดง่าย แล้วก็ข้อสีเนี่ยนะมันนั่งโกหกกันทั้งนั้นแหละในวงเล่าอ่ะเรื่องจริงมีน้อยมากเรื่องไม่จริงถ้าส่วนใหญ่บางคนก็พร่ำบางทีวนอยู่สามรอบแล้วเรื่องเก่านะั่นแหละทั้งอกุศนธรรมนะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยอยู่ที่วงเล่าเกือบหมดเลยความชั่วทั้งร้ายแหล่อยู่ที่นั่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงกล่าวว่าสุราและเมรัยเนี่ยเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาสุราเมรยะ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 เป็นคนที่ประมาทในกิจการงานทั้งหลายแล้วเป็นคนที่ไม่รอบคอบแล้วข้อสองก็คือยานวันตาความเป็นผู้มียานมีปัญญาดีสามสธาอุปติติตาเนี่ยนะก็คือความเป็นผู้มีสติปรากฏทุกเมื่อเป็นคนที่ไม่ไม่หลงลืมใช่ไหมลักษณะของมีสตินี่เป็นอย่างไรสตินี้ก็คือความไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายนั่นเองไม่ประมาทในการเจริญกุศล แล้วก็ไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยให้อกุศลจิตเกิดคือถ้าสติเกิดขึ้นสา ม, มารถวินิจฉัยได้ว่านี้มีโทษนี้ไม่มีโทษถ้าลักษณะของสติจะเป็นลักษณะนั้นท่านจึงอุปมาสติเหมือนกับคุนคลังผู้รักษาทรัพย์ให้พระราชาคือรู้ได้ว่าเออรั์เท่านี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์แบบนี้รั์จะเสียไปถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยรั์จะเพิ่มขึ้น อันนี้ทรัพย์ของพระราชานี้เป็นส่วนเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถพละนาได้ทั้งหมดสติเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนกันสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นรัพย์อะไรไม่ใช่ทรัพย์ทรัพย์ภายนอกรู้กันแล้วนะเออซับภายในมีอะไรบ้างสตินี้เกิดขึ้นจะทําให้รู้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นถ้ามีสติจริงๆอ่ะสติจะช่วยทําให้รักษารัพย์คือศรัทธาซัพย์คือศีลรัพย์คือสุตะทรัพย์คือฮิริโอตตะ สัตตือจาคะและก็ปัญญาถ้าคนที่มีสติก็สา ม, มารถที่จะพอกพูนหรือว่ารักษาอริยทรัพย์เหล่านี้ไว้ได้ในขณะเดียวกันก็สแสวงหาทรัพย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปนะว่าอั ป, ปเนสุกิจจกรณีเยสุสัพพัฐานุปปติกะปิภาณวันตาความเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกิจและกรณียกิจเกิดขึ้น ในข้อนี้ก็คือเป็นคนที่ฉลาดว่องไวสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คือในอย่างข้อหนึ่งก็คือสามารถที่จะคำนวณปัญหาออกทั้งหมดแต่ว่าอย่างในข้อสี่ก็คือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถที่จะมองปัญหาออกสามารถที่จะแก้ปัญหาในขณะนั้นๆได้ถ้าไม่เมาอ่ะนะแต่ถ้าเมาแล้วก็โอ้ยเรอวัลากสังขารยังจะลาบไม่ไวหวเลยอ่ะแล้วต่อไปนะ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 แล้วก็อมูคตาความเป็นผู้ไม่บ้าใบ้ตรงนี้แจ๋วนะแสดงว่าเห็นคนบ้าใบ้าก็เหตุส่วนหนึ่งทําไม่ดีไว้ทาไม่ดื่มทะอย่างเนี่ยโหอันนี้สงเพียบเลยนะถ้าเกิดมาสมมุตินะคนทุกวันนี่นะส่วนใหญ่เวลาให้ทานให้จะเมาด้วยคือถ้าเมาเนี่ยนะอันนี้สงต้องการเมาก็คือทําให้เกิดเป็นคนบ้าใบ้เป็นต้นบ้าด้วยโง่ด้วยใบ้ด้วยแต่ว่าให้ทานเป็นเหตุให้เกิดรวยใช่ไหมถ้า เป็นบ้าแล้วแต่รวยเนี่ยเอาไหมาไม่บ้าไม่เป็นไรนะไม่ถึงจะรวยก็อยู่ได้แลนะ้วบ้าแล้วรวยไม่น่าสนใจเลยนะเพราะฉะนั้นศีลศีลห้าเนี่ยนะศีลห้าเนี่ยเป็นธรรมะที่มีคุณธรรมสูงมากเป็นธรรมะที่มีคุณมากถ้าหากว่าคนที่มีศีลห้าดีเนะียเวลาให้ทานทานอ น, นั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมากมีนิสงมากแต่ถ้าหากว่าผิดศีลทั้งห้าข้อนะเวลาให้ทานทานนั้นจะมีผลน้อย เช่นเป็นคนฆ่าสัตว์แล้วให้ทานให้ทานนี่เป็นเหตุให้รวยเกิดมารวยแต่อายุสั้นดีไหมก็ <c oughs> ไม่ไวนะ้อ่ะเนาะหรือถ้าผิดศีลข้อสองนี่ทําให้ทรัพย์สินเสียหายให้ทานแต่ว่าร่ํารวยพอมีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหมมีรถร ถ, รถก็เจ๊งอย่างเงี้ยไม่น่าสนใจอีกนะหรือว่าผิดศีลข้อสามบ่อยๆศัตรูเยอะอย่างเงี้ยเป็นคนมีฐานะดีแต่ว่าโอ้ยไปที่ไหนเนี่ยกรอกคุมกันหมดเลยนะ เสื้อแต่ละตัวนี่ต้องการกระสุนได้ไงไม่ไหวเนอะเพราะฉะนั้นอาการผิดศีลผิดธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษมากมายมหาศาลต่อไปนะว่าอาชัำพิตาก็คือความเป็นผู้ไม่หวัดสะดุ้มคนเมาบางทีเนี่ยสะดุ้มกลัวถ้ามเมาประเภทยาบ้าด้วยนะโอ้โหกลัวทั้งคืนเลยมยีครั้งหนึ่งคนรู้จักกันคนหนึ่งเขาเขาเมายาบ้าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมีคนจะปองร้ายผม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 รักษาศีล น, นี้ดีก็ทําให้ไม่ตนีแล้วก็สัจจาวาธิตาเป็นผู้มีปกติกล่าวคําสัตย์แต่เมาแล้วโหมัรับปากอะไรนักกันไม่รู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้แักอย่างเลยฉะนั้ น, นผู้ที่รักษาศีลข้อดื่มสุราดีจะทําให้รักษาวาจาดีด้วยแล้วก็สิบสามอภิสุนะอภรุษะอสัมภลาปะปวธิตาความเป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อ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 ยู you, นี่แปลว่ารู้ก็คือกระตันยูก็คือรู้ถึงสิ่งที่บุคคลอื่นเขากระทาไว้แล้วกระตนก็คือกระตันยูอ่ะนะไทยก็คุ้นกันดีอยู่แล้วอ่ะตันยูต่อไปนะกระตะเวทีตาก็คือกระตะเวทีแปลว่ากระทําตอบนั่นเองกระตันยูกระตะเวทีก็คือสามารถที่จะทําตอบได้ต่อไปนะโพควันตตาความเป็นผู้มีโพคะ ก็คือเหมือนกับที่พระให้ศีลนะนะศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสามบัฏาศีเลนะนิพุติงยันติปัสมาวศีหลังวิโสทะเยผู้ใดมีศีลศีเลนะสุขติงยันติตาแล้วก็ไปสู่สุขติสุขติก็คือมนุษย์กับเทวดาเป็นต้นศีเลนะโภคสามบทารักษาศีลดีก็จะทําให้มีทรัพย์ศีเลนะนิพุติญัญติเมื่อรักษาศีลดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่อไปนะว่าถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็จะทำให้เป็นผู้มีศีลเออรักษาศีลเพื่อให้มีศีลการไม่ดื่มเหล้าเนี่ยศีลข้ออื่นๆเนี่ก็ทำให้รักษาได้ด้วยแล้วก็อุชุคตาความเป็นผู้ซื่อตรงทาให้เป็นคนตรงแล้วก็อักกูธนตาความเป็นผู้ไม่โกรธรักษาศีลข้อนี้ดีก็ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิเรและโอตปะ คนเมานี้ไม่มีหิริโอตะปะจริงๆเลยแม้กระทั่งผ้านุ่งยังรักษาไม่ได้เลยถ้าเคยศึกษาในสภาขี้เล่าแล้วจะรู้ว่าแม้แต่กระทั่งผ้านุ่งในตัวยังรักษาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะแล้วลต่อไปนะความเป็นผู้มีความเห็นตรงถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะทำให้มีทิฏฐิชุกกรรมทำให้เห็นตรงสา ม, มารถที่จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นกรรมผลของกรรมเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญคุณของพ่อแม่เป็นต้น ก็จะง่ายแต่ถ้าหากว่าดื่มสุราไปแล้วเนี่ยที่ถูชุกรรมเนี่ยไม่มีแล้วหายากต่อไปนะถ้าไม่ดื่มแล้วก็ทําให้เป็นผู้ที่มีใจใหญ่ใจใหญ่ในที่นี้ก็คือไม่ได้ไปฆ่าใครหรอกใจใหญ่ก็คือหมายความว่าสามารถที่จะเจริญกุศลให้มากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นอะ่ะต่อไปนะปัณฑิตาความเป็นผู้ฉลาดบัณฑิตนั่นเองสามารถที่จะเป็นบัณฑิต บัณฑิตก็คือผู้ฉลาดฉลาดในอะไรฉลาดในขันฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในฐานะและอาฐานะนี่เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นฉลาดฉลาดอย่างนั้นฉลาดในขันอายตนะปฏิจจสมุปบาทและฐานะอาฐานะฐานะอาฐานะเช่นอะไรบ้างไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยใช่ไหมที่พระโสดาบันเนี่ยจะผิดศีลห้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ฐานะเป็นต้นนั่นเอง ต่อไปนะยี่สิบสี่อัฏฐานัตถกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ก็คือสามารถที่จะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรมีคุณค่าไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเมาแล้วบางทีก็ไม่รู้อะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนะคือภาพอันนี้นะถ้าผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผู้ที่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้เป็น เป็นอัธยาศัยหรือว่าเคยผิดศีลประเภทนี้มามากเวลามาศึกษาปุ๊บมันจะเห็นฝั่งตรงกันข้ามจริงๆมีชาดกมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ได้เอามากล่าวเพราะว่าเวลามันจํากัดกระปิดนะดูเลยอ่าทั้งหมดนั้นก็คือเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายซะส่วนใหญ่ก็คือฆ่าสัตว์ก็เป็นเรื่องของกายกรรมลักทรัพย์ก็เป็นกายกรรม ผิดศีลข้อสามก็เป็นกายกรรมแล้วก็ดื่มสุราก็เป็นกายกรรมด้วยทีนี้ก็เลื่อนไปเป็นทางวัจีกรรมวจีกรรมนี้บุญบาปทางปากนี้วันๆหนึ่งอมมากมายมหาศาลเลยนะขยับลิ้นทีไรก็เป็นได้เรื่องเลยนะได้บุญได้บาปอยู่ขนาดนั้นเลยวัจีกรรมนี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งคือนะมุสาวาตคือพูดเท็จสองปิสุณาวาจาส่อเสียด สามพูสวาจาคือพูดคำหยาบแล้วก็สสัมผัปลา ป, ป, ปากก็คือสมัยก่อนเขาแปลว่าสําราพูดสําราสมัยใหม่แปลว่าเพรสเจอร์สำราคเรานึกไม่ออกมันเป็นยังไงนะทีในพระดารบิเดกบางแห่งเขาแปลว่าสําราค ก, ก็คือพูดเพรสเจอร์พูดเพรสเจอร์ก็คือพูดเรื่องไม่มีประโยชน์ไม่อิงอัดไม่อิงทําไม่อิงวินัยพวกคําพูดประเภทนี้แหละที่เรียกว่าพูดเพรสเจอทีนี้มาว่าด้วยมุสาวาสเลย มุสาว่าก็คือความพยายามทางวาจาวจีประโยคน์หรือความพยายามทางกายอันทําลายประโยชน์ของบุคคลผู้มุ่งกล่าวให้ขัดแย้งกันชื่อว่ามุสานั้นมุสานั้นก็คือเรื่องไม่จริงแต่ว่ามุ่งกล่าวมุ่งแสดงออกมาทาั้งทางกายและทางวาจาเพื่อให้รู้ว่าเรื่องไม่จริงหรอกแต่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่ามันจริงเช่นไม่เห็นว่า เห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้หรือว่าเห็นว่าไม่เห็นไม่ได้ยิน<สาป>รรหรอกว่า ไ, ได้ยินคือแบบสำนวนเขาบอกปั้นน้ำจนเป็นตัวนะคล้ายๆลักษณะนั้นแหละลักษณะของมุสาวาตก็เจตนาอันให้ตั้งขึ้นด้วยความพยายามทางกายหรือทางวาจาที่มุ่งจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นของบุคคลอื่นโดยประสงค์จะกล่าวให้คลาดเคลื่อนชื่อว่ามุสาวาต คำพูดที่ประสงค์ให้ให้รู้ไม่ตามความเป็นจริงอ่อีกนัยหนึ่งเรื่องอันไม่เป็นจริงไม่ใช่แท้ชื่อว่ามุสาคือเท็ตที่มูสาก็คือเท็ตการให้บุคคลรู้เรื่องไม่จริงไม่แท้นั้นโดยภาวะว่าจริงว่าแท้เรียกว่าวาทะมุสาวาดวาดวาทะตัวหลังก็คือคําพูดนั่นเองมุสาก็คือเท็จพูดให้เขารู้ในเรื่องที่ไม่จริงอ่ะ ว่าโดยลักษณะเจตนาที่ให้ตั้งขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวอย่างนั้นของบุคคลผู้ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ถึงเรื่องไม่จริงไม่แท้เรียกว่ามุสาวาตแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าอยากให้เขารู้ว่ามันเป็นตรงกันข้ามอ่ะลักษณะนี้นะเรียกว่าลักษณะของมุสาวาตซึ่งบางทีเนี่ยนะก็บอกว่ารู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเนี่ยไม่รู้หรอกแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรารู้นะ ทำเป็นใช้ให้เขาคิดว่าเรารู้อย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของมุสาวาตด้วยนะอย่างเช่นในวินัยเนี่ยก็บอกว่าภิกษุใดนะที่มีอบัตติดตัวอยู่ให้แสดงเปิดเผยอบัติที่มีอยู่ถ้าไม่เปิดเผยอบัติที่มีอยู่จะเกิดมุสาวาตนั่งใช้อย่างเงี้ยไม่พูดไม่บอกเนี่ยเป็นไห เ, เป็นอีกข้อหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเป็นสัมปชันน้ำมุสาวาตทุกกฎเป็นอบัตทุกกฎที่เกิ ด, กดจากมุสาวาต จากการไม่ไม่แสดงออกอันถ้ารักษาศีลดีเนี่ยศีลไม่ใช่ว่าไม่พูดอย่างเดียวนะไม่พูดเท็จอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นลักษณะของผู้ที่พูดคําศัพท์คําจริงพูดคําศัพท์คําจริงนั่นเองพูดมีประโยชน์ทีนี้ถ้าหากว่ามุสาวาทไปแล้วอะ่ะมีโทษอย่างไรเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะประโยชน์ที่ผู้พูดทําลายประโยชน์นั้นอะ่ะน้อยมีโทษมากเพราะทําลายประโยชน์มาก คือพูดให้คนฟังเนี่ยเสียประโยชน์มากก็โทษมากอะ่ะพูดให้เขาเสียประโยชน์น้อยก็โทษน้อยอีกในัยยะหนึ่งมุสาวาทของครหัดทั้งหลายที่เป็นไปโดยนายเมียที่ว่าไม่มีดังนี้เพราะประสงค์จะไม่ให้วัตถุที่มีอยู่ของตนชื่อว่ามีโทษน้อยเวลาเขาไมา่ยืมสตังอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีหรอกอันเนี้ถามว่าจริงไหมจริงๆมันก็มีแต่ว่าไม่อยากให้อะ่ะอันนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยไม่ใช่ไม่มีโทษนะ มุสาวาทที่ตนเป็นพยานกล่าวเพื่อทําลายประโยชน์ชื่อว่ามีโทษมากใช่ไหมคือว่าให้เราไปยืนยันเป็นพยานเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งๆ ท, ที่มันไม่จริงอะ่ะแต่เราไปเป็นโจทย์เป็นพยานเป็นอะไรเขาเนี่ยลักษณะเนี้มีโทษมากขณดมีของไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยนะโกหกไปนี่ก็ก็ชื่อว่ามุสาวาทด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมีศีลก็พยายามศึกษาเรื่องวาจาให้ดีเอ๊ะพูดยังไงจึงจะไม่มีโทษไม่มุสาวาท บางอย่างมันเป็นเทคนิคด้วยนะอ่ามันเป็นศีลที่จะต้องศึกษามาบางทีเนี่ยเราไม่ประสงค์จะให้เขาอะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องบอกไม่มีก็ได้มันมีวิธีการตั้งหลายอย่างอย่างอย่างเรื่องค้าขายใช่ไหมบางทีก็หลอกลูกค้าซะจนก็บอกโอต้นทุนมันเท่านั้นเท่านั้นลดไม่ได้อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องโกหกอย่างนั้นก็ได้มีพ่อค้าบางคนนะซึ่งเขารักษาศีลเขาบอกว่าเ ข, า บ, า, ขาบอกว่าเรื่องต้นทุนเขาไม่ถามกันหรอกเขาบอก ง, งั้น ก็บอกตรงๆไปอย่างนี้แหละไม่ถามกันหรอกเรื่องต้นทุนน่ะหรือไม่อย่างหนึ่งก็บอกขายไม่ได้ก็บอกขายไม่ได้ ก, ก, ไไดก็แค่นั้นเองเขาไม่ได้เต้าซี อ, อะไรจนเกินไปหรอกแล้วตามวันนี้ขายไม่ได้ก็แค่นั้นบางทีโอ้โหบางแม่ค้าบางก็พาลานาทะหยาดเยิ้มหยดย้อยแตโอ้โหต้นทุนเท่านั้นอย่างนั้นอย่างงั้นปั่นน้ำไปจนเป็นตัวเลยอ่ะบางทีนะบางทีลูกค้านั้นเขาก็รู้ด้วยนะว่าไอ้นี่แหกตานี่ของก็ขายไม่ได้ด้วยศีลก็เสียอีก อเสียคนไม่ซื้อของก็ไม่เท่าไรห ร, รอกแต่ว่ามุสาวาทที่พูดออกไปนั้นนี่ยนะเสียทั้งโลกนี้ด้วยนะเครดิตในโลกนี้ก็เสียไปแล้วก็เสียในโลกหน้าด้วยไปที่ไหนก็จะถูกคนปั้นน้ําเป็นตัวให้ฟังเรื่อยอ่ทั้งที่ไม่จริงท่างหน่อยส่วนมุสาวาทของบรรัณชิตคือนักบวชเนี่ยนะที่เป็นไปโดยในปุรณกถาว่า น้ำมันในบ้านวันนี้เห็นทีจะไหลไปเหมือนแม่น้ำโดยประสงค์จะหัวเราะกันเล่นเพราะน้ำมันหรือเนอยใสยเพียงเล็กน้อยชื่อว่าโทษน้อยก็บอกว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเย็นๆจะอุ้มบาตรไปบินทบาทน้ำมันหรือบินทบาทเนยใสยหรือน้ำผึ้งคือถ้าอุ้มบาตรตอนเย็นเนี่ยรู้แล้วว่ามาหาเภสัตชฮะอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าอุ้มบาตรตอนเช้าถือว่ามาหาอาหารเหมนกันทีนี้พอไปบินอ่ะมันไม่ได้อะหรือมันได้มันนิดเดียวอ่ะ เขบอกว่าท่านท่านไปบินถบาดน้ำมันได้ไหมหรือบินถ้าบาดเนยได้ไหมอุ้ยในบ้านเนี่ยเหมือนกับน้ำมันจะท่วมหมู่บ้านหมดแล้วก็ได้ ว, ว่าพูดแบบขำๆเนี่ยนะสนุกสนกไม่ได้อะ่ะแต่ก็จะพูดให้มันขำๆไปอย่างนั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นมุสาวาทที่มีโทษไม่มากนะแต่ไม่ใช่ไม่มีโทษนะแต่มุสาวาทของบรรพชิตผู้กล่าวโดยนายเมียที่ว่าไม่เห็นเลยว่าเห็นดังนี้ชื่อว่า มีโทษมากไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้เนี่ยนะพวกนี้มีโทษมากการทำชั่วในเพราะการทำลายสงให้แตกแยกกันด้วยมุสาวาทถึงขั้นมุสาวาทมีโทษมากก็คือการผิดศีลข้อทำสังฆเภศนั่นเองมุสาว า, เ า, าเทเนี่ยบาปมากสังฆเพศเนี่ยมีโทษมากจริงๆอันปากเนี่ยแล้วแต่จะใช้นะใช้ให้มันเป็นบุญก็ได้เป็นบาป ก, ก็ได้ ลิ้นสานิ้วเองนะนะกระตกตวัดไปตะวัดมาเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้แต่ก็อย่าลืมว่าคำพูดเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานนั่นเองไอตัวบาปมันไม่ใช่คำพูดนั้นหรอกแต่สภาพจิตหรือเจตนาของผู้พูดนั่นแหละเป็นคำสัตว์คำจริงขนาดไหนด้วยถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องศีลข้อนี้ดีนะเราจะรู้การใช้วาจาด้วยในขณะเดียวกัน แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยต่อวิปัสสนาง่ายไหมถ้าเราศึกษาการใช้คำพูดค่อนข้างดีศึกษาเรื่องเสียงก็ก็ไม่ยากนะเพราะจะรู้ว่าจิตที่ทำให้เกิดเสียงก็กี่ดวงอันคนพูดทั่วไปนะวันวันหนึ่งก็ไม่เกินยี่สิบดวงอะ่ะไม่เกินยี่สิบดวงก็คืออากุศลจิตสิบสองมาหากุศลจิตแปดอันคำพูดที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นอะ่ะก็ ถ้าอยู่ในอีกสังคมหนึ่งก็หาฟังยากเหมือนกันคิดว่าอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็หาฟังไม่ยากนักทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าคําพูดที่เกิดจากอากุศลอกุศลมีกี่อย่างมีสามอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมคือโลภะโทสะและโมหะโลภะก็แบ่งประเภทเป็นแปดดวงโทสะก็แบ่งประเภทเป็นสองดวงโมหะก็สองดวงคําพูดที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยนะก็มีอยู่แปดดวงเราก็มาจําแนกประเภทอีกโลภะประเภทไหน ใช่ไมโลภะประเภทอสังขาริกหรือ ส, สังขาริกแล้วก็แยกแยะได้แล้วจะศึกษาเรื่องเรื่องวิปั ส, สนาต่อไปก็ไม่ยากนะักถ้าเราเข้าใจเรื่องศึกษาเรื่องการใช้วาจาจริงๆเลยนะสติปฐานหรือว่าการเจริญวิปั ส, สนายาตะปริญญาพิจารณาเรื่องเสียงจะไม่ยากจนเกินไปคือถ้าเมื่อก่อนนะเวลาเราคุยกันเนี่ยนะเราจะไหลไปตามเรื่องราวที่พูดกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องศีลข้อนี้ดีเนี่ย เราจะสังเกตด้วยว่าคนพูดประสงค์อะไรในชั้นต้นเลยเนี่ยคนพูดเขาอยากได้อะไรเขาประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรนี่นี่ชั้นที่หนึ่งทีนี้ต่อไปนะในความประสงค์ของเขาเนี่ยความประสงค์อันนั้นเป็นไปกับโลภะโทสะหรือโมหะหรือว่าความประสงค์นั้นเป็นกุศลฉั้นจะศึกษาเรื่องจิตตะชรูปไม่ยากเกินเกินไปถ้าเราสังวรศีลข้อนี้บ่อยๆเวลาคุยกันปั๊บจะศึกษาเรื่องจิตตชรูปเป็นต้นไปด้วย แล้วก็ยาตาปริญญาก็เกิดขึ้นในขณะที่สนทนากันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าไม่มีสติในการพิจารณาเรื่องการใช้คำพูดเลยนะเรื่องเสียงที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยโอ้คงอีกนานจนกว่าจะพิจารณาดึงมาใช้ได้การเจริญลักษณะนี้บ่อยๆมากๆเนี่ยเขาเป็นโมเนยะทางวาจาหรือมุนีอะนะความเป็นมุนีทางวาจานั่นเอง เพราะฉันศีลเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานเป็นประทับฐานเป็นเหตุใกล้แห่งการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไปอันถ้าผู้ที่ศึกษาในการใช่วาจาปั๊บเนี่ยศึกษาวิปัสสนาต่อไปมันก็ไม่ยากนะวิปัสสนาก็เรื่องทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนั่นแหละถ้าเข้าใจเรื่องวาจาอย่างดีก็เข้าใจเรื่องวิปัสสนาต่อไปไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าคําพูดนั้นน่ะสมุดฐานของคําพูดก็คือจิต คำพูดก็คือเสียงเรียนประมาท ธ, ธรรมมาจะรู้ว่าเสียงมีรูปกี่รูปแค่เก้ารูปเองใช่ไหมถ้าพูดใกล้ตัวเนี่ยนะเสียงมันก็กระแทกใช่ไหมกระแทกผิวหนังนะนะสมมติว่าพูดใกล้ๆเหมือนกับเอามือวางใกล้ๆใช่ไหมแล้วเราก็พูดออกมาเสียงเนี่ยมันก็กระทบผิวหนังด้วยอารมปากนะคำสมมตนว่นาอามปากกระทบคําพูดที่พูดออกไปนั้นก็มีโพธิภพลมด้วย บางคนนี้ก็พูดจะมีกลิ่นปากเลยไงเขาเรียกว่ามีคันธารลมด้วยแต่คําพูดเนี่ยมีสีด้วยนะถ้าเอาอะไรมาส่องดูนะถ้าถ้าพูดในช่วงที่มันมีไอน้ําอากาศเย็นๆมากนะพูดนี่จะมีสีออกมาด้วยพูดเนี่ยมีไอออกมาอั้นถ้าศึกษาอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ยากแลนะ้วเนาะถ้าเข้าใจเรื่องความรู้เรื่องขันท่าอนะัจฉริยะก็พิจารณาลงไปตรงนั้นต่อไปอีกก็สามารถที่จะวิจัยหรือ เรื่องของอริยสัจต่อไปได้ไม่ยากนะคําพูดที่เป็นไปกับโลภะนั้นก็ขณะที่พูดเป็นทุกขสัตว์นะแต่ว่าไอโลภะที่เกิดเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพบต่อไปโลภะเพื่อเกิดในพบต่อไปอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์แต่ขณะที่พูดใช้ใช้ขณะนั้นเนี่ยเป็นเป็นทุกขสัตว์คือโลภะเนี่ยนะเป็นทั้งปริญญาธรรมและก็เป็นทั้งปหาตประธรรม เป็นทั้งธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมะที่ควรละด้วยมุสาวะหรือการพูดเท็จนั้นนะเราก็มาจับดูว่าถ้าเราพูดนั้นเท็จหรือไม่มก็เอาองค์ประกอบสี่อย่างมาจับดูหนึ่งเรื่องไม่จริงสองคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนสามความพยายามด้วยเกิดจากความคิดนั้นแล้วก็สี่คนอื่นรู้เนื้อความนั้นทางกายทางวาจาก็ได้ จริงอยู่แม้การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นทราบว่าเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งเพราะแม้เมื่อทำประโยคหรือประโยคกล่าวโดยประสงค์จะพูดให้ผิดเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจเนื้อความนั้นการพูดให้ผิดนั้นก็ไม่สาเร็จประสงค์ก็คือถามว่าเขาต้องเชื่อไหมคือถ้าเราพูดโกหกปับ๊บเขาฟังรู้เรื่องเลยนะเขาเชื่อไม่เชื่อก็ตามก็เป็นมุสาวาสละ แต่ถ้าเขาพูดแล้วเราจะโกหกเขาอะแต่เขาฟังไม่ออกหรอกคือเราจะคิดจะปั้นน้ําให้เป็นตัวนะแต่เขาคิดตามเราไม่ถูกอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นมูสาวาฏไม่ร่วงกรรมมบทส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามูสาวาฏมีองค์ประกอบสามคืออะภูตวัจนังพูดไม่จริงต่อไปก็คิดจะพูดให้ผิดแล้วก็สี่การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้น อันองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือคนฟังเข้าใจเนื้อความนั้นอ่ะเป็นเป็นประมาณถ้าบุคคลอื่นพิจารณาแล้วจึงรู้ความหมายนั้นเพราะรู้ได้ช้าเจตนาที่เป็นเหตุให้กิริยาตั้งขึ้นย่อมเกี่ยวเนื่องกับมุสาวาตกรรมในชั่วงขณะนั้นเองเพราะเจตนาที่เป็นเหตุให้ตกลงใจเป็นไปแล้วเขาบอกว่าประโยคประโยคก็คือวิธีพูดอ่ะวิธีโกหกอ่ะนะมีอย่างเดียวคือสาหัติกะประโยคก็คือ พูดด้วยตนเองนะเท่านั้นหรือว่าทําด้วยตนเองมุสาวาสนั้นพึงทราบโดยการกระทํากิริยาของผู้กล่าวให้คลาดเคลื่อนด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายด้วยกายก็คือการกระทำทางกายเนื่องด้วยกายก็เช่นการขีดเขียนเป็นต้นด้วยวาจานะหรือด้วยวาจาถ้าบุคคลอื่นรู้เนื้อความนั้นด้วยกิริยานั้นเจตนาอันตั้งขึ้นด้วยกิริยานี้ย่อมผูกพันโดยกรรมที่เป็นมุสาวาส ในขณะนั้นทีเดียวก็คือถ้าเขาฟังเข้าใจปั๊บก็เป็นมุสาวาททันทีเลยอันหนึง่งเมื่อบุคคลสั่งว่าเจ้าจงกล่าวแก่บุคคล น, นี้ดังนี้ก็ดีเมื่อเขียนหนังสือทิ้งไปข้างหน้าก็ดีเมื่อเขียนติดไว้ที่ข้างฝาเรือนเป็นต้นโดยประสงค์ว่าบุคคล น, นี้พึงทราบอย่างนี้ก็ดีโดยประการที่ให้บุคคลอื่นกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากกายหรือจากวัตถุเนื่องด้วยกายหรือด้วยวาจาฉะนั้น แม้ประโยชนทั้งหลายคืออนัติกะประโยคอนัติกะก็คือสั่งนั่นเองนิสักยะประโยคก็คือขว้างหรือถาวรประโยชน์ก็คือมุสาวาตโดยการแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นการโกหกตลอดไปลักษณะนี้นะเรียกว่าถาวรก็ย่อมสมควรในมุสาวาตนี้แต่เพราะไม่มีมาในอัตตกถาทั้งหลายจึงควรพิจรารณาก่อนแล้วถือเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ในอักถาส่วนใหญ่ที่ยอมรับก็คือยอมรับว่ามุสาวาตนั้นทําด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ว่าท่านก็พูดถึงว่าสั่งคนอื่นหรือว่าทําถาวรประโยคเป็นต้นอ่ะก็ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอัธยกถายไม่ไม่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นให้ถือเอาตรงที่ว่าโกหกด้วยตนเองเป็นเป็นหลักส่วนที่เหลือก็ให้พิจารณาเอานั่นก็คือนี่เป็นลักษณะการขยายในลักษณะคัมภีร์ต่างๆนั่นเอง ซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ไม่สนใจในการค้นคว้าคัมภีร์ก็ไม่เป็นไรเอาองค์ข้างบนเนี่เป็นประมาณต่อไปนะโดยอารมณ์ของมู้สาวาตมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้า ง, ง, า เ, าางเช่นโกหกเรื่องคนเป็นต้นก็เรียกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารสังขารก็คือสีเสียงกลิ่นรสโพธาเป็นต้นนั่นเองเรียกว่ามีสังข า, เา ร, ญญรเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์หรือมีประมาทเป็นอารมณ์ก็ได้เวลาที่ มุสาวาตปรมัตได้แก่อะไรบ้างปรมัตคือจิตเจตสิกรูปอะไรที่ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนั่นแหละไม่ใช่ปรมัตคือนิพพานด้วยนะไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นแหละชื่อว่าไม่ไม่ใช่ปรมัตตธรรมเวทนาขณะมุสาวาตมีสามอย่างคือทุกขเวทนาแสดงว่ามุสาวาต ด, ด้วยโทสะก็ได้ใช่ไหม สุขเวทนามุสาวาท ด, ด้วยโลภะที่เป็นสมนัตหรือว่าอุเบขาเวทนามุสาวาท ด, ด้วยอุเบขาเวทนาเพราะฉะนั้นขณะที่มุสาวาทเนี่ยเป็นได้เวทนาทั้งสามอย่างคือทั้งสุขทุกข์และอุเบขาความรู้สึกในขณะที่โกหกอ่ะโดย moon, moon hang, มูลมูลแห่งมุสาวาทมีสองอย่างก็คือด้วยอำนาจโทสะกับโมหะหรือว่าโลภะกับโมหะ เรียกว่ามีสองก็คือสองในลักษณะพูดแบบคู่นะแต่ถ้าพูดแบบแยกก็ได้สามมแหละทั้งโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าพูดคู่ก็คือโลภะกับโมหะโทสะกับโมหะก็เท่ากับอธิบายว่าโกหกด้วยโลภะมูลจิตกับโทสะมูลจิตวิจิกิจฉาไม่มุสาวาทนะมุสาวาทหรือปะอยังตัดสินไม่ได้จะไปมุสาวาทอะไรเนะนาะขณะนั้นกําลังสงสัยอยู่เลยอะ่ะ ถ้าดิ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเป็นโลภะโทสะไปแล้วโดยกรรมนี้ตัวมุสาวาตเป็นวจีกรรมโดยผลนะผลของมุสาวาตก็ทําให้เกิดในอบายอบายมีกี่อย่างสี่อย่างนะนรกเปรตอสุรกายและศาสเตระชานบางคนนี่ยโกหกไปเกิดเป็นเปรตเลยก็มีเยอะแยะไปต่อไปนะและถึงสุคติก็ให้ผลไม่น่าปรานะนานาช น, น, น, นิด ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอะ่ะก็ยังให้ผลอย่างนะขนาดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วผลของมูสาวาตก็ก็ยังให้ผลอยู่เช่นหลายคนมาบอกเอ๊เขามานัดเป็นต้นก็มาหลอกเรื่อยอะ่ะถูกหลอกเรื่อยอะ่ะลักษณะนี้แหละเป็นผลที่มาในประวัติการทั้งๆ ท, ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วผลของกรรมเหล่านั้นก็ยังให้ผลมาหลอกมานัดจนไม่เชื่อบางคนนี่ก็บอกว่าถ้าใครมานัดเลยนะ ไม่เชื่อทุกอย่างเลยถ้าไม่เห็นก่อนนี้จะไม่เชื่อเลยนัดกันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างคิว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่จริงทั้าจนเบื่อแล้วนะลักษณะนั้นอันบางคนเนี่ถูกหลอกมาจนชินอ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปเที่ยวหลอกคนอื่นด้วยทําเหตุใหม่ด้วยนะรับกรรมเก่าด้วยทําเหตุใหม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันทั้งใหม่ทั้งเก่านะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเมื่อไหร่นะจะถึงที่สุดแห่งกรรมสักทีเมื่อไหร่นะ อรหัตตมัคคาานอรหัตตมัคคายานนี่มีอะไรเป็นปัจจัย <c oughs> มีอะไรเป็นปัจจัย <c oughs> บอกท่านเอาปัจจัยไหนเหมงอนนั <c> ้น <oughs> ต้องถามใหม่ใช่ไหมอรหัตตมัคมีอะไรเป็นปัจจัยอ่ะ <c oughs> บอกปัจจัยไหนเหมงอั <c> ้น <oughs> ปัจจัยมีตั้งเก้าชาติอะ่ะถ้าอริมมะปัจจัยของอรหันต์ก็นิพพานทีนี้โดยอุปนิสัยปัจจัยอะ่ะกว้างๆตรงๆเลยก็คืออนาคามีเป็นปัจจัย นาคามีมีอะไรเป็นปัจจัยโดยประตูสกะธาคามีเนอะสกะธาคามีมีอะไรเป็นปัจจัยโสดาบันโสดาบันมีอะไรเป็นปัจจัยเอาเอายานเอายานยานไหนเป็นปัจจัยกับโสดาปฏิมักโคตรภูยานต่อไปนะว่าถ้าหากว่าบริกรรมเป็นต้นเนี่ยนะบริกรรมหรือว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมักตัวนี้นะในมักเข้าวิถีสมัยนูน้นเคยแจกแผ่นภาพภาพหนึ่งนะ เป็นคู่อ่ะเป็นภาพวิถีนะใครเคยดูบ้างก็ไม่รู้เคยทบทวนดูสักทิง้งแต่ถ้าจําได้ก็ดีแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ดูสักหลายๆครั้งวิถีนั้นน่ะนะจริงๆการเรียนวิถีมีอยู่ประมาณสี่ห้าวิถีหลักๆเท่านั้นเองวิถีที่เหลือมันเป็นประเด็นปลีกย่อยเราไม่ถึงขนาดไปเที่ยวไ ป, ไปไปแสดงไปปาถกะถาอะไรก็บางส่วนอย่างยังไม่ต้องจําก็ไม่เป็นไรนะจําวิถีหลักๆไว้หนึ่งปัญจทวารวิถี สองมโนทวารวิถีสามมรควิถีอภิน ญ, ญาวิถีก็พอละประเภทนี้แหละเพราะว่าที่ใช้ใช้บ่อยๆอีกวิธีหนึ่งก็ น, น่าสนใจกันนะม ร, ร, รณาตัณหาวิถีวิถีใกล้ตายนะประมาณห้าหกวิถีเองไม่กี่ชุดอ่ะเสร็จแล้วศึกษาพระธรรมก็จะเบาไปเยอะละแต่ถ้าเราไปจําละเอียดโหได้เขา ว, วิถีเป็นร้อยๆฟังแล้วเหนื่อยเลยนะจริงๆมันหลักๆมันมีไม่กี่อย่างเรียนเรื่องจิตก็เหมือนกันนง จิตเนี่ยให้พูดเป็นชาติไว้แบ่งกลุ่มใหญ่ๆเข้าไว้ก่อนกุศลอกุศลนิบาสกิริยาอย่างนี้ก็ได้กุศลอกุศลอภยากตะอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยๆไล่ต่อไปมันจะเบาแต่โอกโหแปสิบเก้าจิตมีแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยี่เอ็ดดวงคือโอ้เนี่ยเหนักหน่อยเสร็จแล้วก็เวลาจะพูดถึงคําว่าจิตนะตัวเลขจะมาแล้วโอ้หเหนื่อยแต่ถ้าตั้งอีกในหนึ่งก็ไม่ยากเกินไปเอากุศลอกุศลนิบากกิริยามามาจับวิถีก็เหมือนการปัญจทวารวิถีกับ มโนทวารวิถีแล้วทีนี้ต่อไปว่าในมรรควิถีนั้นวิถีที่เป็นตัดใจก็คือประเภทสังขารุเปกขายานนั่นเองเป็นตัดใจสังขารุเปกขายานมุนจิตุกรรมมยตายานพวกนี้ก็เป็นชื่อของญาณเดียวกันนั่นเองปฏิสังขารญาณเนี่ยก็อันเดียวกันนะ่ยสามอย่างนั้นนะ่ะต่างกันโดยชื่อนะวิปัสสนาญาณที่เป็นประเภทสังขารุเปกขายานก็มาจากประเภทนิพพิทายาน นิพพทยยานอาทีนวัยานพยายานสามอย่างก็อันเดียวกันนั่นแหละยานเหล่านั้นมีอะไรเป็นอุปนิสัยให้ก็มีพังคายานพังคายานมีอะไรเป็นอุปนิสยัยมีอุทยพยายานยานที่ประเภทเกิดดับเป็นอุปนิสยัยอุปนิสัยของเกิดดับคืออะไรสัมมสนายานสมมสนายานก็คือตีรณะปริญญาที่เราคูนคูนกันนั่นเอง ตีรนาปเรญยามากๆเป็นอุปนิสัยให้รู้การเกิดจับคนที่จะมีตีรนปเรญยาดีก็ต้องรู้จักอะไรดีรู้จักปัจจัยดีปัจจัยเช่นกรรมะปัจจัยเป็นต้นในปัจจัยยี่สิบสี่นะปัจจัยที่น่าน่าสนใจมากก็คือเช่นกรรมะปัจจัยถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมะปัจจัยปัจจัยเดียวดีนะอุปนิสัยปัจจัยเราก็จะเข้าใจด้วย แล้วก็ขณะที่ทำกรรมจิตเจตสิกเกิดร่วมขณะทากรรมนั้นตระกูลสหาชาตชาติก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ที่จะรู้ปัจจัยดีนี่มีอะไรเป็นเป็นปัจจัยอีกที่จะรู้ก็คือการรู้จักเรื่องรูปนามขันห้าความรู้เรื่องรูปนามขันห้าดีจะทำให้รู้จักปัจจัยดีอันความเข้าใจในเรื่องว่าอะไรคือขันอะไรคือธาตุอะไรคืออายตนะ อะไรคือศาสจะอะไรคืออินทรีย์อะไรคือปฏิจจแล้วก็ความรู้อันนั้นเนี่ยขอให้มันอยู่ในกายเราเนาะขอให้สง่งเคราะห์ลงมาในในร่างกายของเราให้มองชีวิตของเราเป็นรูปนามขันห้าหรือพิจารณารูปนามขันห้าแต่ก็ไม่ใช่เลยเถิดจ น, นมีแต่ขันห้าเลยนะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างก็ยุ่งเหมือนกั น, กนเหมือนกับที่คุณวิลาวันพูดคำๆใช่ไมสวัสดีคุณรูปนามขันห้าอย่างนี้วะก็คือ คำพูดในเชิงปรมามัดนั้นบางทีนะถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรไม่ควรกล่าวเช่นคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยพูดพร่ำเพื่อเสียคนเลยนะหรือพูดเช่นเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นแหละเออเดี๋ยวได้แข็งจริงๆแหละนั่นคาพูดประเภทปรมามัดนั้นเป็นคําพูดที่บนพื้นฐานของกุศลจิตไม่ใช่บนพื้นฐานของการพูดเล่นถ้าพูดเล่นเป็นเพิร์อนะ แล้วก็สิ่งที่เพอเจอร์นั้นปรับเอาพระธรรมมาเพอร์เจอร์นั้นเป็นสิ่งที่ที่น่าสงสารเหมือนกันนะเจตนาที่ทำให้แบบนั้นก็มีหลายแห่งอ่ะก็มีแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็มีแต่ประมาจารย์งหมดเลยนะจนคุยภาษาธรรมดาก็แทบไม่รู้เรื่องกันนั้นไอ้ปรมาจกระ์าถานั้นเป็นการสนทนาต่อเมื่ออาศัยกาละที่เหมาะสมเป็นต้นนะ นั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปนามขันหานั้นมีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่พยายามสงเคราะห์เรื่องรูปนามขันห้าลงในในชีวิตของเรามากๆนะคำสอนในส่วนที่ว่าโดยอุปนิสัยปัจจัยสูงๆต่อไปเนี่ยมองไม่เห็นช่องเลยคเครียกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ปัจจัยอ่ะเพราะความรู้เบื้องต้นเลยเนี่ยเพื่อที่จะแยกแยะเพื่อที่จะละคลายสกายทิฐิ หรือว่าละคลายอัตตาเป็นต้นก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปนามขันห้านั่นเองความรู้ในเรื่องของขันห้าห้าคำเองเนาะจําไม่ยากใช่ไหมอายตนะก็มีสิบสองสิบสองก็จริงๆก็เรื่องในภายในของเราทั้งนั้นแหละโดยเอาทวารมาเป็นเป็นหลักใช่ไหมตากับสีเป็นต้นอย่างธาตุสิบแปดก็เหมือนกันในทางตาก็แบ่งออกเป็นจากขู่ธาตุรูปประธาตุจากขูวิญญาณธาตุเปลี่ยนทวารอื่นอีก สามคูณหกเท่ากับสิบแปดอินทรีย์ยี่บสองเนี่ยจะจำก็จำไม่ยากใช่ไหมไล่เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หกแล้ว็หกแล้วก็จะมีอะไรอีกมีผู้หญิงผู้ชายใช่ไมอิทถิน4ีปุริศินศีแล้วก็ชีวิตติน4ีนะที่เป็นรูปแล้วพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหญิงชายแล้วก็ชีวิตก็ทำให้เกิดความรู้สึก5ายอยา่างหนึ่งสุขทุกข์แล้วก็โทมนัสโสมนัสอุเบขา เป็นห้าอีกห้าเข้าไปทีนี้พอทั้งหมดนี้เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นทุกขสัตว์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อินทรีย์ที่เป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เป็นชีวิตในอินทะรีย์ที่เป็นเวทนาห้าอย่างที่เกิดจากการกระทบสัมผัส ข, ของอินทรีย์อื่นๆนะก็คือสุขทุกขเบขาแล้วก็โสมนัสโทมนัสเสร็จแล้วอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติอีกห้าอย่าง คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถามว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์ที่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติมาวินิจฉัยอินทรีย์ต้นๆ น, นั่นเองเป็นข้อมาวินิจฉัยพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ประเภทนี้เป็นอินทรีย์ของการปฏิบัติเช่นว่าศรัทธาเนี่ยนะที่จะพิจารณาก็คือศรัทธาอย่างไรศรัทธาที่พิจารณาว่าจากขุณีเนี่ยมี มีอะไรจากขุนศีนั้นเป็นผลของกรรมใช่ไหมมีศรัทธาในการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นต้นวิริยินทรีย์พิจารณาเพื่อที่จะที่จะไม่ทํากรรมใหม่ที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมสติินศีย์ก็ไม่ประมาทสมาธินรียก็สงบแล้วก็ปัญญรีย์ก็พิจารณานี้ทุกข์นีทุกขสมมูไยใช่ไหมว่าไอ้อินทศีย์อ่ะตั้งแต่จากขุนศีเป็นต้นนี่เป็นทุกข์ขัด โลภะที่เป็นเหตุแห่งอินทรีย์ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสมุทยัทยสัตว์ความไม่เป็นไปของทุกข์กับสมุทยัยเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมแล้วก็จะเกิดอนัญญตัญญสามีจินรียอินทรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติมีสามอย่างคือโสดาปฏิมร์เรียกว่าอนัญญตัญญสามีจินรียแล้วก็อัญจินรียก็คือมรรคผลที่เหลืออรหัตผลชื่อว่า อัญญาตาวินซีก็เป็นอินรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งอันพระองค์ก็เลยเรียงอินซี22ซึ่งก็อินรีย์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะเว้นโลกุตระอินทรีสามที่เหลือที่เหลือมีหมดแหละเช่นจากขุนศีใครไม่มีมัางคนตาบอดนั่นไม่มีใช่ไหมโสดินรีเป็นต้นก็คนหูหนวกเท่านั้นแหละที่ไม่มีดังั้นอินรีย์เหล่านี้ถ้าไม่เรียนรู้ก็เป็นเป็นอะไร อวิชาก็เกิดขึ้นแทนเนี่ยก็ถ้าวิชาไม่เกิดก็อวิชาเกิดขึ้นแทนแต่บอกอวิชาเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดไรต่ออวิชาทําให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ทําให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติเช่นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจไม่ควรประพฤติแต่แต่อวิชามันทําให้ประพฤติกุศลคุณงามความดีทั้งหลายแหละทั้งกายวาจาและใจควรปฏิบัติคว ร, จรเจริญควรบําเพ็ญแต่ก็ไม่บําเพ็ญก็เพราะ อวิชชาอีกนั่นแหละแต่ถ้าเราเจริญความรู้เหล่านี้มากๆขึ้นอวิชชาก็ไม่ได้ช่องเมื่ออวิชชาไม่ได้ช่องอากุศลก็ไม่ได้ช่องด้วยการเจริญกุศลก็มีแต่จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆ้อความในคาถาธรรมบทกล่าวว่าผู้มักพูดคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทำชนแม้ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวซาม ละไปในโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันแปลว่าตายแล้วตกนรกทั้งคู่คือคนที่พูดไม่จริงก็ตกนรกหรือว่าคนทําแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทําก็ตกนรกเหมือนกันก็แปลว่าเรื่องนี้อาศัยที่เดารถีเนี่ยเดารถีกล่าวตูพระพุทธเจ้าอ่ะนะว่าพราะองค์นี้เป็นคนฆ่านางสุนทรีอะ่ะฆ่านางสุนทรีถ้าหาว่ารักษาศีลข้อมูสาวาต ด, ดีรักษาศีลข้อวาจาดีนะ มีผลตรงนี้ยกมาสิบสามอย่างนะน่าสนใจนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะรักษาศีลข้อวาจาดีหนึ่งวิปัสสั น, นินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสาจากขุนศีกก็ดีโสตินศีลเป็นต้นก็ดีถ้ารักษาศีลข้อวาจาดีนะตาหูจมูกเลนกายใจผ่องใสแต่ถ้าหาว่าเป็นหลอกใครมาเนี่ยนมงตี๋แหม่ม ย, ยิ้มไม่ค่อยออกอนเนอะ เดี๋ยวเขาจับได้หวาดระแวงเป็นต้นนั้นอินทรีย์จึงไม่ค่อยผ่องใสต่อไปสองวิสัตธรรมะมธทุระภาณิตาความเป็นผู้มีปกติพูดด้วยถ้อยคำสละสลวยและก็อ่อนหวานมธทุระก็คือพูดเหมือนน้ำผึ้งอ่ะแปลว่าหวานเลยต่อไปก็สมศิตะสุทธนะทันตตาอันนี้ใครอยากมีฟันงามมารักษาศิ่งนนี้เอาไปแล้วกันเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอ ทั้งขาวและสะอาดทันใช้วาจาดีเนี่ยมีผลต่อฟันด้วยนะแต่แต่ก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะพูดไม่ดีบางทีก็ฟันฟันเสียหายก็เหมือนกันนะ <c oughs> นั่นแหละที่ระทำเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าทำไมฟันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกรรันก็มาจากกรรมที่ที่แตกต่างกาันทั้นการใช้วาจานั้ยมีผลในเรื่องฟันค่อนข้างมากเพรามงสายต้องระวังเรื่องนี้มากมนะ ต่อไปนั้นนาติถูลตาความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไปเออรักษาวาจาดีก็ไม่อ้วนมากนะต่อไปนั้นนาติกีสตาความเป็นผู้ไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็นาติทีฆาตาไม่สูงจนเกินไปต่อไปนะความเป็นผู้มีสัมผัสเป็สุกแปลว่าผิวไม่หยาบจนเกินไปนะต่อไปก็ความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบลถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่พูดและกลิ่นปากหอมเหมือนกับเขาว่าเด็กๆะนะ เด็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นปากกระหมเขาบองกงั้นต่อไปนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็จะเป็นผู้ที่มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทพูดอะไรก็มีคนฟังอะ่ะมีคนเชื่ อ, อบางคนเนี่ยโอ้ยขอพูดทิ้งก็ไม่ให้พูดสักทีเลยนะพูดแล้วก็ไม่เชื่ออีกต่างหากนะกว่าจะพูดได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีคนสนใจฟังนั่นก็แสดงว่าศีลข้อนี้เราไม่ดีนะ ต่อไปนะอาทยาวจนาตาความเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้รักษาศีลข้อนี้ดีก็จะมีคนเชื่อถือถ้อยคําเชื่อถือวาจาแต่ถ้ารักษาไม่ดีนะพูดอะไรมีคนฟังหนระือเป่าต่อไปก็ถ้ารักษาไม่มุสาก็ทําให้เป็นผู้มีลิ้นอ่อนลิ้นแดงและก็บางเหมือนกลีบดอกอบบุบลแต่ก็สํานวนอะนะไม่ได้ว่าบางคดขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็คือสัญลักษณ์ของการมีลิ้น อนลิ้นแดงเป็นต้นเนี่ยก็คือทำให้คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่สละสลวยด้วยต่อไปก็เป็นผู้ไม่หดหูรักษาศีลประเภทนี้ไม่หดหูบ่อยๆแล้วก็เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านการใช้วาจาเนี่ยมีผลต่อทั้งรูปร่างกายด้วยมีผลทั้งอัธยาศัยด้วย <c oughs> ก็คือพวกศีลนั่นเองใครมีอะไรสงสัยบ้างไหม ต้องไปดูใกล้ตายอีกครั้งนึงคือไม่เขาว่าคนทําชั่วนะทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้หมายเขาว่าต้องไปนรกหมดนะคือถึงครบกรรมบทก็ไม่ได้แปลว่าไปนรกหมดมก็คือไปสืบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้จะจุตินี่ชาวนะเขาเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนนั้นเขาอาจจะระลึกถึงกุศลได้ในขณะที่ใกล้ตายก็ได้เพราะว่าคนเราไม่ไม่มีใครชั่วนิรันดร์หรไม่มีใครดีถาวรด้วย เพราะฉะนั้นทั้งดีทั้งชั่วมันก็สลับกันแต่ว่าภาพที่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็นอาจจะชั่วมากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำดีความดีที่เขาสะสมไว้ที่เขาทาไว้ที่เขาบำเพ็ญก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะตายความดีอันนั้นอาจจะให้ผลก็ได้นี่พูดเผื่อเลือกกันนะแต่จริงๆแล้วส่วนน้อยมากเพราะพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับนกที่ติดบ่วงนายพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะหลุด สัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปสู่สุขติคืนหรือว่าไปเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะน้อยมากน้อยมากพระอาจารย์ข้าอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเจตนาที่เขาพูดตลกนะคะก็เพื่อจะบันเทิงคนฟังแล้วก็ได้หัวเราะก็เป็นไม่โทสะอะไรเลยพอจะช่วยได้บ้างไหมเจตนาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะจะจะให้เป็นยังไงนะช่วยที่ว่าช่วยอะไรช่วยให้คนฟังหัวเราะแล้วก็มีความสุข หัวเราะด้วยมหากุศลใช่ไหคือปกติเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็มีโลภะอยู่แล้วก็ไปพูดให้มีโลภะมากขึ้นปกติสัตว์ทั้งหลายก็มีโทสะอยู่แล้วก็ไปพูดให้มีโทสะมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายปกติก็มีโมหะอยู่แล้วก็ไปพูดให้เขามีโมหะมากขึ้นก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ชักชวนในทางอากุศลเวลาไปที่ไหนก็จะถูกคนชวนแบบนี้บ่อย ก็คือชวนในทางที่ไม่ดีอะนะเพราะว่าไปชักชวนให้คนคนคิดไม่ดีถ้า่วนใญ่แต่บางครั้งการพูดไม่จริงเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมคีกันเช่นคนทะเลาะกันเขาถามว่าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่าเนขะบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเงี่ยหรือเขาไม่ว่าอะไรเงี้ยนี่นจะถือว่าโกหกหรือเปล่าคือเราต้องมาแยกเป็นขณะขณะไปะนะครับผมขณะ ด, ดีก็ขณะหนึงขณะไม่ดีก็ขณะหนึง่ง ทีนี้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไอ้ความดีเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นตัวไปกลบก็ก็ไม่ได้มันก็คนละตอนกันทีนี้ว่าบุพภาเจตนาอาจจะไม่มีกําลังมากนักในขณะที่ที่มุสาวาทเช่นบุพภาเจตนาก็คือไม่อยากให้เขาทะเลาะเบาะแว่งกันแต่ก็ขณะที่กําลังทําก็เป็นมุสาวาทแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความเคร่งครัดในการใช่วาจานั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดพอพูดไปแล้วจะมาเดือดร้อนใจ ถ้าคนที่มุ่งผลในการเจริญกุศลธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นนะคำพูดเหล่านี้นะไม่พูดยังจะดีกว่าเลยเฉยยังจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะตามไปเล่นงานทําให้เดือดร้อนใจมากถ้าถ้าเป็นคนที่เจริญกุศลธรรมเช่นการฟังธรรมการศึกษาพระธรรมการเจริญการมาฐานเป็นต้นอันคําพูดแต่ละคําเหล่านั้นมีผลต่อจิตใจเราทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยไปพูดทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องมันไม่จริงใช่ไหมก็พูดก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากนักหรอก คือโดยโดยเหตุการณ์ทั่วไปแต่ว่าจิตในขณะนั้นมันสูญเสียหมดแล้วใช่ไหมสูญเสียอะไรบั่งถ้าจิตเป็นอกุศลนะมูสาวาฏเนี่ยล่วงมาทางวจีทวารใช่ไหมขณะนั้นสูญเสียศรัทธาสูญเสียหิริโอตตะสูญเสียสุตะสูญเสียจารค่าสูญเสียปัญญาสูญเสียวิริยะสูญเสียกุศลคุณงามความดีสูญเสีิกุศลส่วนอื่นๆด้วยเขาบอกว่าคนที่รู้อยู่แล้วยังมูสาวาฏไม่มีความชั่วอื่นอีก ที่เขาจะทาไม่ได้ไม่มีอักุศลส่วนไหนที่เขาจะไม่กล้าทําอีกต่อไปถ้าเขายังรู้อยู่แล้วก็ยังพูดไม่จริงรู้อยู่แล้วยังพูดมูสาววาดได้เพราะว่ามันเป็นต้นตอแห่งอักุ u ศลชนิดอื่นๆต่อไปอีกอั้นคำพูดบางอย่างก็เหมือนกันแต่คนที่สามารถใช้วาจาโดยที่ไม่มูสาววาเนี่ยคนนั้นค่อนข้างมีฝีมือพอสมควรเหมือนกันนะมองอะไรออกนะมองเหตุการณ์ออก ถ้าหากว่ามองเหตุการณ์ไม่ออกส่วนใหญ่ก็จะรักษาวาจาไม่ได้เพราะคําพูดจริงเนี่ยคาจริงเนี่ยนะถ้าไม่เหมาะแก่การเนี่ยบางอย่างถึงจริงก็ไม่ประสานประโยชน์บางทีคําพูดจริงก็ไม่ประกอบด้วยเมตตาคือไอ้จริงแบบทั่วไปอะแต่ว่าจิตขณะ น, นั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่ว่ารักษาข้อมุสาวา่าแต่ไปเป็นข้ออื่นอะต้องไปดูว่าเป็นพุทสวาระไหมเป็นสัมผัสปลาปะเป็นปิสุณาวาจาไหม เพราะว่าวาจีกรรมมีทั้งสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งเทจนะไม่ใชโ่โหรักษาฉันไม่พูดเทศ แ, แต่หยาบเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่เทศหรอกแต่ว่าประยุแยงแตะแคงรูดให้เขาเขาแตกกันบางอย่างจริงแต่ว่าพูดแล้วเขาแตกแยกกันเรื่องพูดมีตั้งเยอะแยะโลกนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างคําสอนพุทธเจา้าเนี่ย 8, 000, 000พระไตรปิฎกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พูดไปเถอะไม่จบยังไงก็ไม่จบพุทธเจ้าพูดไว้เยอะแยะพูดตามอย่างเดียวเถอะ ไม่จบง่ายๆฉันมีเรื่องที่จะให้พูดตังเยอะแยะแต่เทนี้ว่าเราเห็นโทษของเรื่องกรรมขนาดไหนด้วยสมมุติถ้าหากว่าอั น, นิสงข์ข้อรักษาศีลตรงนี้ใช่ไหมมีประมาณสิบสี่ข้อเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาการใช้วาจามไม่ได้เนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะวิบัติให้ผลหมดเลยนะก็คือบอกว่าโอ้รักษาศีลข้อนี้ดีอ น, นิสงส์แบบนี้แต่ถ้ารักษาไม่ได้นะอันนี้แปรสภาพมาให้หมดเลย เช่นพูดแล้วคนไม่เชื่อฟั ง, งอย่างเนี้ยโวยบางทีนะถ้าเราไม่เป็นหัวหน้าคนก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นหัวหน้าชักชวนบางอย่างแล้วพูดไม่มีใครฟังเลยเนี่ยมันอยากร้องไห้เหมือนกันนะ <c oughs> ใครรูป่าบางทีงานมันสําคัญสําคัญใช่ไหมต้องการจะชี้แจงแบบพวกไม่ฟังให้เลยอย่างนี้ก็แย่มกันนะดีก็ไม่สบายใจอย่างอยู่ในครอบครัวเหมือนกัน่ฟังหน่อยเถอะฟังหน่อยบางคนเนะี <c oughs> ่ยแทบจะขอร้องเลยโปรดเธอฟังให้หน่อย บางคนเนี่ยนะคนอื่นไม่ฟังเนี่ยใช้เทคนิคแบบรำพึงรำพันเออรำพึงรำพันนี่คนฟังแทนอย่างนี้ศึกษาวิธีการหลายๆอย่างหน่อยนะการใช้วาจาเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นกรรม่ก็คือเรียนเรื่องกายกรรมแต่ถ้ารักษาวาจาดีเนี่ยการเจริญกุศลแม้กระทั่งการเจริญฌานก็ไม่ไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าในการใช้วาจาก็คือเรื่องของเรื่องของศีลใช่ไหม ถ้าประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเป็นต้นใช่ไหมน้อมจิตไปเพื่อคุณธรรมใดๆก็ก็สําเร็จได้ดังนั้นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกหัดจิตก็คือเรื่องศีลนั่นเองสังเวชนั้นเป็นโอตตะปะซึ่งมีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าสังเวชนั้นจะต้องเป็นไปกับปัญญางนั้นปัญญานั้นจะต้องเป็นลักษณะของกรรมสักตาเป็นต้นนั่นเอง ไม่มีขนาดนั้นจะไม่หดหูจะไม่หดหูแต่ถ้าหดหูเนี่ยสายโทระัคือหดหูนี่บางครั้งเนี่ยก็คือเป็นคำพูดที่อาจจะเป็นไฟกับสายถีน่ะก็ได้เพราะว่าหดหูบางแห่งก็หมายถึงถีน่ะมิธะแต่ว่าคำว่าหดหูแบบไทยๆก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นโทระคือไม่ชอบใจอ่ะฟังแล้วงัยแต่นั้นก็เป็นโทรศทนะแต่ถ้าสังคมทั่วไปก็ยอมรับว่าเป็นความดี มันถูกต้องด้วยนะถ้าหดหูฟังแ ล, ล้วเขาเรียกว่าสลดในสิ่งที่ควรสลดนะก็ตีหน้าเป็นในบทบาทมุกในนั้นก็คนก็ยอมรับไปแต่เขาว่าฟังข่าวร้ายมาก็ยิ้มแป่เนี่ยคนก็ไม่ก็ชอบนักกันเนาะแต่ทีนี้ว่าถ้าสังเวทใจอ่ะนะถ้าสังเวทใจนั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นความฉลาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนะแต่ถ้าหดหูนี่ก็คือเหมือนกับคนสูญเสียอะไรไป ลักษณะของหอนหูจะเป็นเหมือนกับว่าศูนย์สเสียไปสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าสังเวทใจนะเหมือนกับท่ารหารนะว่าได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคดับขันธปริณีผ่านปั๊บเนี่ยท่านก็สังเวทใจว่าขนาดผู้มีบุญขนาดนี้นะยังต้องล่วงลับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยเนี่ยที่จะมั่นคงถาวรไม่มีรอกพอหมดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็จุติไป เช่นการตายเนี่ยนะปัจจัยที่ทําให้จุติมีอะไรบ้างเสนาแห่งมัจจุราชนี่มีมากหรือเกินแต่ก็คือปัจจัยหลักๆที่ที่ทําให้ให้ชีวิตไม่สามารถจะสืบเนื่องได้ก็เช่นมหาภูต ร, รูปแต่ละอย่างวิบัติมหาภูต ร, รูปแต่ละอย่างวิบัตินั้นก็เป็นปัจจัยให้ตายได้ถ้า ด, ดินท่าน้ําถ้าลมท่าไฟอย่างใดอย่างหนึ่งกําเริอต่อไปก็อาหารเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของ จิตเรื่องอาหารเรื่องจิตนี้ก็เป็นปัจจัยให้ตายได้เรื่องของอายุอายุก็คือชีวิตตินซีชีวิตตินซีนั้นก็เป็นนิมิตของกรรมชีวิตนี้มันน้อยจริงๆนะเนาะทำกุศลยังไม่ทันายเลยไปแล้วนะวันนี้ก็คงใช้เวลากันเท่านี้